มรันลูกรักทั้งไหล PI. สำหรับวันนี้ PI. พ่อจะขอปรรพ dated teenage father พ่อจะขอ recoBrain คิดให้สิ color. I ask my husband ซัก 요� painful. P kissed young children to see same thy mother by対象 I ask her if they be 경 불� lan? To see yourself for such meter I see your mother ması Than เสียงคลื่นทะเลก็ดีเสียงรถยนต์เสียงเรือยนต์เส <c oughs> มีเสียงคนมีเสียงเรือยนต์มีเสียงรถยนต์เสียงเสียงจากคนต่างๆเสียงเห่าเสียงหอนของสุนัขเสียงนกร้องและ เมษา 2521 พ่อเดินทางมาจังหวัดจบี และก็งานทุก เป็นการสร้างไว้ก่อนดีกิจการส่วนอื่นก็ดีงาน <c oughs> พ่อเองก็คิดไม่ถึงว่าความคล่องตัวของ แต่ความจริงเห็นว่าเวลา ท่านที่เป็นผู้ชายไปได้ขนาดไหน เป็นกิจเป็นนั้นว่าทั้งลูกชายและลูกหญิงของพ่อเป็นคนดีทั้งหมดพ่อคาดไม่ แต่พ่อเองมีความรู้สึกว่าคนจะดีหรือว่าคนจะเลวมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมก่อน ไกนาใดที่กรรมที่เป็นกุศลจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อ เวลาที่พ่อนั่งบันทึกเสียงอยู่ เวลานี้ผมเองกําลังนั่งพูดอยู่รู้สึก เดินทางมาคราวนี้ก็รู้สึกโคตรยาก เสือจะกัดลงมาเราจะถูกเขี้ยว แต่ว่าในช่วงระยะ ถ้าบังเอิญจะพึงมีอันตราย ความทุกข์มันจะเบียดเบียนเพื่อหัวที่ทรงไว้ และคนทุกคนที่ช่วยทํางาน และการไปทํางานทุกครั้งถ้าจ้างคนอื่นเขาก็ยังไม่สามารถจะทําได้ดีเท่ากับลูกของพ่อพี่ต้องไม่ดีผู้บังคับบัญชา ร้านแกร่งแล้วโลกไม่ยอม สำหรับเรื่องต่างๆที่จะต้องพูด 2520 เออ 21 ตุลาคม 2520 พระ เข้าท่านที่วังสรจิตวัน อย่าจำแต่เพียงว่าในสิ่งที่พ่อจำมาได้อย่าลืมว่าเวลาที่พ่อพูดวันนี้พ่อเหนื่อยมากพ่อตราบตรัมมาทั้งวันนั่งรถเวลาที่นั่งพูดใจก็ยังสั่นนริก อาจะต้องจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งก็ได้เรื่องของชีวิตและก็เรื่องของขันธ์ 5 โลกรักอย่าสนใจมันมากนักเพราะว่าขันธ์ 5 มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของ เมื่อเข้าปะนี้ห้องพระบาทสมเด็จอี้โห ที่จังหวัดเจลาปรากฏว่ามีเสียง แต่องค์ก็ทําทุกอย่างเพื่อความสันติสุข ถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกิน ไม่น่าเลยที่คนทั้งหลายเหล่าๆพระ ยังได้ขอก่ายเข้าฟ้าพระองค์ ถ้าเราจะจิตไปคิดห่วงใหญ่เรื่องราวในอดีตงานใน และหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้โอวาทแก่บรรดาลูกเสือชาวบ้านทรงประรัสว่าวันนั้นพูดยาวหน่อย ก็สงสัยว่าถ้าขณะที่ไปเสียระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงความจริงระเบิดที่ระเบิดขึ้น 2 แล้วคือระเบิด 2 ลูกไกลจากที่ประทับลูกหนึ่ง 50 เมตรอีก 100 เมตรแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมประชา ระเบิดนั้น 2 จุดจะไกล 20 เมตรที่ เมื่อระเบิดแบบนี้เค้าทําไมเค้าหมกไว้แล้วเค้าวางไว้ในสิ่งที่ไม่ จะกระตกระเบิดแล้วเบิดก็จะเกิดระเบิดทันทีเรื่องนี้ลูก ใครอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่ แต่ถ้าบังเอิญวิบากกรรม ว่าเรื่องระเบิดที่จะระเบิดขึ้นมาภายหลังมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเอาจิตใจไปยุ่งกับอนาคตๆน่ะ พอที่จะชีวิตคนแรกกับ แล้วเกิดมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องตายไหนไหนจะ ได้ย่านเลยกว่านั้นลูกทุกคนก็จะเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมเติมมีในพระ นอกจากนั้นแล้วเท่าพ่อก็สงสัยพ่อ พระองค์ก็ทรงตัดว่าคนทั้งประเทศเจนว่าพระองค์ อคติภาคอื่นทําไมจะไม่ ตั้งศูนย์ไว้เฉพาะภาคเหนือเป็นเขตก็ เรื่องนี้ก็ขอยกไปไว้เดี๋ยวจะ ต่อมาเมื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายเห็นว่าธรรมบาตร สิ่งที่ได้รับเข้า 1 ล้านบาทๆของ 10 ล้านบาท อันนี้ก็เป็นน้ําใจของบรรดา ให้เข้าศาล 2000 ก็สอบพืชผักสําหรับ คอยพาหนะเรื่องพาหนะเป็นเรื่อง 28,000 บาทแล้วก็ค่า เป็นค่าใช้จ่ายใน 33,000 บาทเสียๆเพียง 1,000 บาท เป็นเงินจํานวนถึง 32,000 บาทเศษ 2,000 บาทพ่อเป็นผู้จ่ายลูกสละเวลาการงานด้วยสละแรงงานด้วยสละทรัพย์สินช่วยคุณย่าจนด้วยแล้วก็ช่วยกันเสียสละค่าพาหนะด้วยความน่ารักของลูกของพ่อทุกคนอย่างนี้พ่อคิดว่าพ่อจะหาที่ไหน คนอื่นใครเค้าจะทํางานเพื่อพ่ออย่างการสร้างวัด อาจจะเรียกค่าแรงงานแต่สําหรับลูกของพ่อทุกคนนี้นั้นจ่ายเงินเป็นค่าสงเคราะห์คนจนด้วยจ่ายเงินเป็นค่าภาระด้วยเสียสละเวลาการงานบางคนก็ต้องลาการงานไปจนเจ้านายเค้าเกลียดอํานาจแล้วก็มีแล้วก็เสียสละเงินค่าภาระอีกทั้งปี่นี่พ่อเห็น ให้ลูกของ